รับตรงนาไปแล้วเออทาไมพ่อถึงมุ่งมันนักวะนี่ไอ้ยิ่งน่ะหายไปคนหนึ่งแล้วพ่อคงจะไม่ยอมให้ไอ้เย็นหายไปคนหนึ่งหรอกถ้าพวกข้าห้าคนนี่มีใครหายสักคนพ่อจะเป็นห่วงเป็นใหยพวกข้าทัาา้งไอ้ยิ่งไอ้เย็นหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยไม่ควรจะคิดเรื่องนี้นะพี่ใหญ่อย่าลืมสิว่าไอ้ยิ่งน่ะมันหายไปเพราะใครเพราะพวกข้าห้าคนเนี่ยพี่ใหญ่ลืมแล้วเหรอพ่อไปลืมรกจนข้าตายไป ขาก ม, มีวันลืมเว้แล้วพี่ใหญ่ถอนใจทำไ ม, มอ่ะพี่ใหญ่รู้สึกผิดหรือไงที่ทำกับไอ้ยิงมาขนาดนั้นอ่ะออข้าสารภาพตรงๆก็ได้ว่ะขารู้สึกผิดสำนึกผิดผิดมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ที่เห็นพ่อซึมไปไม่ค่อยสังคมกับใครแล้วนาะทองสงบายก็ล้มป่วยแล้วก็ตอบใจตายไปแล้วเงินที่พวกข้าได้มานี่นะมันไม่ได้ทาให้ชีวิตพวกข้าดีดขึ้นเลย แถมยังตกตาไปเรื่อยๆด้วยทําอะไรก็ไม่เด็ดดีเงินมันถูกสาบเอาไว้อย่งังแล้ววะเฮ้ยพระเจ้าสาบเหรอพี่ใหญ่ก็ข้าไม่รู้ข้ารู้แต่ ว, ว่าคําไม่มีความสุขมันเป็นบาปติดในใจข้าตลอดเวลาถ้าเปลี่ยนไปได้ข้าอยากไปตามไปยิ่งมันกลับมาได้ซ้ําไปใหญ่ พ, หญพี่ใหญ่คิดงั้นจริงๆเหรอก็จริงสิวะแต่ข้าก็คิดอย่างพี่ใหญ่เหมือนกันนะ่ะแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะโดน ด, ดา่าข้าคิดเหมือนกันเนะี่ยอือข้าก็เหมือนกันพี่ใหญ่อา้าว คิดเหมือนกันหมดเลยเหรอแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะปล่อยให้เวลาผ่านไปทำไมแล้วตอนนี้ไอ้ยิ่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะให้ไปตามหาที่ไหนอะ่ะพี่สันก็โดนจับเข้าคุกไปแล้วไม่รู้ว่าจะถูกปล่อยมาเมือ่อไหร่อ่ะเขาว่าคงจะตามหายากว่ะให้พระเจ้าช่วยระมังเหรอ<ะ>พระเจ้านี่พี่อยากจะพระเจ้าช่วยเหรอเนี่ยไม่รู้สินะเห็นใครต่อใครก็ภาวานาให้พระเจ้าช่วยมันก็ได้ผลี่นาะ ก็ดูอย่างของแจกพวกนี้สิเหรอันยังไงอ่ะก็ข้าเห็นกับพ่อไอ้เย็นคนนั่งกันเช้าเย็นตอนเราจะอดตายกันอยู่แล้วแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพระเจ้ามาประทานน้ำฝนพี่มาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่มาแจกของกินของใช้เอกว่าควรจะเชื่อพระเจ้าไหมมั่งหรือเปล่าล่ะฮะใช่ปะมันอยู่ที่ศรัทธา น, นะพี่นะนั่นละข้ารู้แล้วพี่พร้อมที่จะศรัทธาพระเจ้าแล้วเหรอข้าจะขอเป็นคนดีจะไม่พูดปดจะบอกความจริงกับพ่อแล้วพวกข้า ก็จะไปช่วยไอ้เย็นด้วยเอ็ว่าไงพี่ใหญ่ใหญ่าาาา ม, าามากนตามกันนะเออดีดีมากเลยเออเราจะไปกันดูนี้เลยเหร อ, หรอพี่ใหญ่เราจะไม่ยอมให้ไอ้เย็นโดนจับข้ามั่นใจไอ้เย็นไม่ได้ขโมยของของใครเท่านั้นแต่ให้มันอดตาตรงหน้ามันจะไปเอาขอ ง, ของใครทําไปได้รับอนุ ญ, ญาตมันจะไปขโมยสร้อยคอทองคำของมันเขาได้ยังไงยิงไอ้สร้อยเส้นนั้นติดตัวทั้งตลอดเวลาด้วยไอ้เย็นมันไปแกะสร้อยเส้นนั้นตอนไหนอ่ะ ถ้ามันเป็นโจรมืออาชีพก็จะไม่ติดใจอะไรเลยแต่นี่ไอเย็นไม่ใช่อะมันเป็นคนดีอืมจริงของพี่ไอเย็นมันเป็นคนดีอะอืมงั้นพวกเราลุยลุยเว้ยเราต้องช่วยไอเย็นกลับมาให้จรงได้เว้ยไปเว้ยไปไปไปไปไปไอมา พอสิพ่อเดินสเปรสปาไปนูนแล้วมันอาจจะไปถึงจวดของท่านหรอฮะพ่อพ่อพ่อพ่อลาด้วยพ่อพ่อเฮ้ยเรียกข้าทาไมว่าพ่อมาต้อไปแล้วทาไมอ่ะให้ผผมไปเองพวกเองจะไปเนี่ยมันไม่มีปัญญาช่วยน้องหรอกมีพ่อ พวกผมว่ายังไงก็ช่วยเย็นกลับมาให้ได้เชื่อสิพ่อเอ้ไม่ๆม่ไม่ครัไม่เชื่อไม่มีใครช่วยอเย็นมันได้หรอกนอกจากข้าคนเดียวนี่แหละแต่ว่าพ่อหัวเองไม่ต้องตามมานะทำไมอะพ่อตามมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะตามมาทําไมกันล่ะเว้ยพวกผมก็เป็นหัวไอเย็นมันเหมือนกันนะพ่อนะเหมือนที่พวกห่วงนั่นแหละเออดีที่พวกเองยังเป็นห่วงไอเย็นมันจริงๆนะพ่อพวกผมเป็นหัวไอเย็นมันจริงๆอ่ะข้าเชื่อไม่ต้องพูดแล้วล่ะนี่พอกลับบ้านเถอะพ่อพวกผมไปเองโอ้ไม่ต้องไม่ต้องพวกเองอยู่บ้านน่นแหละ ข้าจะบุกไปพบท่านโดยตัวขงขาเองแต่ว่าพ่อครับไม่ต้องตามมานะโท่พ่อกันดื้อจังไอเตี้ยเอ็งเห็นอะไรอีกไหมล่ะฮะเผาอยู่ได้ฟังแล้วปวดหัวว่ะใช่ไอเตี้ยไอยศไอยศไอยศมาว่าไงพี่เห็นมันข้าเห็นหรือเปล่าวะเห็นอะไรอ่ะพี่ง่ายนงกันมีคนเดินรับทุ่งดามาลงมาทนีลจริงด้วยพี่โหนนั่นน่ะเห็นไม่ถนัดเดินกันสองคน เฮ้ยสองคนจริงด้วยพี่พจริง<อ>ด้วยเฮ้ยยศยศอะไรพี่เ อ, เ, เองแต่าสายตาดีกว่าใครเพื่อนเลยมองดูสิว่าใครเดินมากันแน่นะเ อ, เอไหนเอสงสัยจะเป็นไอ้เย็นละมั้งพี่บ้าเลยถ้าจะย้อนปล่อยให้เย็นง่ายง่ายกนเถอะทำไมยอนปล่อยแล้วหลวักฐานมันมัดมือไอ้เย็นข น, น, นาดนั้นอ่ะมันก็ไม่แน่นะพี่นะเองพูดจริงอย่าพูดเล่นนะเองเห็นเป็นใครวะฮะมันก็ไม่ค่อยชัดนะพี่แต่หน้ามันจะเป็นไอ้เย็นนะ อีกคนน่าจะเป็นเองเป็นใครว่าไงเป็นใครพูดแล้วก็เดี๋ยวดีๆสิพี่กําลังมองอยู่มันไกลมากถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้อีกนิดนึงก็คงจะเห็นชัดแล้วล่ะอแขนนั้นน่ะสายตาดีๆอย่างเองน่าจะเห็นชัดแล้วเว้ยไม่ชัดจริงๆพี่แต่ที่รู้ว่าคนนึงน่ะเป็นไอเย็นแน่นอนเพราะท่าทางของเดินของมันน่ะขัดจําได้จริงเหรอวะไอเย็นมันกลับมาได้จริงเหรอเนี่ยพี่ใหญ่ถ้าโกนถ้พ่อหยุดเดินเถอะ บอกว่าไอเย็นอ่ะมันเดินมาหาแกแล้วโนบทำไมยังไม่ตะโกนเองหรอเว้ยไม่ไหวเจ็บคออ๋ออ๋อไอยงเอกละหน้าที่ยังตะโกนเลยได้เลยพ่อพ่ออะไรอีเว้ยพ่อไม่ต้องเดินแล้วเฮ้ยทำไมวะพ่อไม่เห็นหรอกโนนไกลออกไปทงนานุนอ่ะไอเย็นมันกำลังเดินมาหาพ่อเดินมากับใครอองก็ไม่รู้เฮ้ยจริงหรอวะจริงเบ้จริงจริงนั่น ผมเห็นแล้วบ้าผมเห็นแล้วคราวเนี่ยผมเห็นจริงๆแล้วครับคนหนึ่งคือไอยเย็นอีกคนหนึ่งก็คือใครวะฮะใครเใครใครวะบอกไปซิกซ็ใครอะถ้า น, น, นรักไอยเย็นด้วยใครรักเหรอคุณกําลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย <Entertainment. S 2> ช่วงเวลาในชีวิตเราต้องมีช่วงที่ดีแล้วร้าย ไม่ีใครมากมายที่รมสุดตัวตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แปลกตีต๋ทีชีวิตคนพยายามดินรนคนหาเรื่อยไปกับอะไรที่เป็นของนอนกาย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 ในสินั้ีคาสงคัญ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 ใะไรที่มีความหมายและสำคัโอ้อย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สุดนั้น รักสาวไวให้ดีอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นที่เคยบอกกันแล้วกันเพียงกค่คื น, นวันได้เลยผ่านอย่ า, อ า, ามองคำบางสีมองคำบางอย่างยังลืมคำว่ารักคำ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 ฉันยังเป็นของเธอคืนที่เธอวันที่เธอเธอจะปวดร้าวก็เจ็บสักงไหนเมื่อเธอ กคืนก็ยังคงคิดถึงและหวังว่าเธอ สุด ทั้งเวลาที่ไม่มีใครได้แต่นอนมองูรู้ทายกอดอนใบเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นและฉันตั้งใจเก็บมันให้อยู่ดังเดิมอย่างดีไปจนตาย แม้ว่าบนเตียงจะไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างกายกอนฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอจะมอานใบเดิมที่เราต่างธอร่วมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจ คำรักที่คจะจางไปมวันเวลามันจะนา่ากมีเธอมรักใกลิ่นความิ่ของความัมนยังเอยู่ในหัวใจอมกว่านำอของใครคนไหนไม่มีใครแทนที่เธอ คืนจะเหาเพียงใดต้องทนนอนคนเดียวเรื่อยไปต่อมาในใจเท่าไรเพียงดีกลิ่นหอจะมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจติดค้ความรักติดค้นความรัก เคยจะจางหายไปแม่ว่าวันเวลามันจะนานจะเท่าใดก็มีเธอไม่รักใครกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักมันยังตื้นอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนใน Make it to.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 เฮ้ย hey, นี่เองเป็นยังไงบ้างไหมผมสบายดีพ่อไม่เป็นอะไรหรอกครับพ่อแล้วแล้วทำไมท่านถึงหาว่าเองขโมยสร้อยทองของท่านล่ะเรื่องราเมันเป็นยังไงมันเป็นการขัดข้องทางเทคนิคครับพ่อขัดข้องทางเทคนิคอะไรของเองข้าไม่เข้าใจเว้ยแล้วเอออุอ้ยแล้วใครมากุมมือของขา้าว่าไอเยน็นนี่มันไม่ใช่มือของเองแน่นอนนะเพราะมือที่กุมอยู่นี่มันช่างหนุ่มซะเหลือเกินใครว่าไอเย็นให้เจ้าตัวเขพูดเองดีกว่าพ่อ พอมอไม่ก็เห็นฟังเสียงเขาเอก็แล้วกันะพ่อใครล่ะเนี่ยใครอ่ะผมเองครับพ่อผมผมน่ะใครเออเสียงแปลกจังไม่เคยได้ยินมาก่อนเออแล้วพอหนุมเป็นใครกันล่ะพอลองเอามือรูปหน้าผมดูสิครับลองรูปดูสิครับพ่อเออรูปก็รูปอ่ะอ่าอออืออืออืออือพ่อจําผมได้หรือยังครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออไว้ผมลองทรง ผมดกเอเอผมหนาหนาตาแบบนี้ไม่ต้องอิ่มเอิบแน่นเอเอเอเ อ, อมีฝายม็ดโตต้างดาา้านซ้ายทางซ้ายทางซ้ายนี่มั น, ม, นมันเหมือนเหมือนเหมือนใครครับพ่อเหมือนเหมือนอไอ้ยิงลูกค้าพ่อพ่ อ, พ, อพ่อจำผมได้จริงๆด้วยพ่อ ไอ้ยิ่งเลยนี่เองเป็นไอ้ยิงจริงๆล่ะฮะกระพ่อผมขอกราบเท้าพ่อนะครับอผมรักพ่อครับไอ้ยิงเอ้ย ล, ล, ลุกขึ้นมาเถอะเท้าของพ่อมันเปื่อนดินเหยีย บ, บขี่ไกขี่วัวขี่ควายมามันเหม็นนรกลุกขึ้นเร็วๆตัวลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถอะพ่อครับไอ้ยิ่งเองจริงๆครับใช่พ่อเออแล้วนี่เองมาได้ยังไง ทำไมถึงได้มากับไอ้เย็นล่ะไอ้เย็นมันโดนท่านจับไปนี่นะมันยังไงกันล่ะนี่หรือว่าเองเป็นคนของท่านนะพอ่ออะไรทารัสมนตรีที่พ่อพูดถึงนะ่ะก็คือพี่ยิ่งนี่แหละครับอะว่าง่างนะ รัฐมนตรีละกระพ่อปกตโทษนะพ่อที่ไม่ได้ติดต่อพ่อเลยแล้วก็ไม่ได้มาหาพ่อด้วยพ่ อ, อยกโทษให้ผมด้วยนะครับไม่เลยพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยแม่ของเองก็เหมือนกันไม่เคยโกรธเองเหมือนกันรักนะ่ะพร้อมที่จะให้อภัยได้ทุกอย่างน่ะลูกรักอภยัยถูกต้องพระเจ้าก็ทรงสอนไว้เหมือนกันไม่ใช่เหรอเรื่องรักอภัยนะ่ะ ครัพ่อยิ่งพี่ใหญ่พี่เยี่ยมพี่ยองพี่ยมพี่ยศผมกลับมาแล้วดีใจด้วยนะเท่งได้พี่ใหญ่เป็นโตแล้วไม่กล้าพูดจาภาษาชาวบ้านลเลยฮะไม่เป็นไรผมมากับไอ้เย็นผู้ติดตามไม่ได้มาด้วยหรอกกันเองกันอยู่แล้วก็เป็นพี่น้องกันนะีดน้อเอาไปพวกเราด้วยนะพวกเราทําในตอนนั้นด้วยความคึกขนองอะ่ะไม่เป็นไดหรอกผมไม่เคยโกรดพวกพี่เลย อจะขอบคุณพวกพี่ได้ซ้ำไปที่ทำให้ผมไปเจอคนใจดีคอยอุปการะผมจนผมได้ดีได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละดีใจด้วยนะยิ่งสักระสมนตรีคนแรกของหมู่บ้านเฮาจริงจริงด้วย <laughs> ออออไปไปไปไปไปไปดั่งคุยกันในบ้านดีกว่านะมายืนกอดกันกลางทุ่งนาะทาไมไ อ, อ้ลูกๆพวกนี่นิวเว้ยออาพ่อเห็นผมกอดยิ่งมาด้วยเหรอ เนะเพราะว่ามอไม่เห็นไงโอ้ยมันเห็นลางๆโว้ย <c oughs> แต่ทีนี้ขา่าขาจะต้องหายขาดเพราะอยิงของขามันกลับมาแล้วโว้ย